จะ <c oughs> เป็นส่วนรวมกับการศึกษาปฏิบัติธรรมเพราะสิ่งที่ผิดที่ถูกเปิดจากเรียนรู้จากการปฏิบัติที่มีกรรมฐาน อาศัยกายอาศัยจิตนี้ <c oughs> เป็นที่พึกงัดมีสติเป็นเจนที่วัดท่องเที่ยวเหยียบยอบอยู่ที่กายที่ใจรีอะไรเกิดขึ้นจากกายจากใจก็ยอมมีสติเป็นหน้าด้านต้อนรับ โต้ตอบทัท้วงตรวจสอบจะได้เห็นความเท็จความจริงความผิดความถูกความชอบความไม่ชอบเกิดขึ้นถ้ามีสติเป็นเกณฑ์ชีวัตแต่ต้องอาศัยวิชากรมาฐานเป็นรูปแบบมีสติเป็นกายเป็นประจําเป็นที่ตั้งไว้ก่อน ต้องมีส่วนมีการประกอบให้เกิดขึ้นไม่ใช่คิดเอาเหตุเอาผลหาคำตอบจากความคิดเหตุผลให้มีการกระทําประกอบขึ้นมาสิ่งใดที่เป็นความรู้สึกตัวไปในกาย <c oughs> หาหมายใช้เจอะแยะตหมหายใจก็ได้ จะเกิดความรู้จึกตัวไปกับลมหายใจอาเสยลมหายใจเป็นมิตรเกาะไหวถ้าหายใจมันจืดอจางมันชินชาอา <c oughs> จะหลงง่ายๆสมหลง ม, มาได้ไวกว่าลมหายใจก็มีบางทางบางข่าวก็เปลี่ยนมาเป็นสมชัญยอบพภะโคหยียดเคลื่อนไหว ตางกับบทฐานที่มีสอนกันมานานแล้วจนมาถึงหลวงผู่เทียนได้ฝึกวิชานี้ล่าสุดสมัยที่ล่าสุดทันสมัยได้หลักได้เกณนดี สิบสังหวสิบสี่สามเปอรบัพพะเคลืนน่อน่หยพอดีพอดีกับวินาทีหรือนาทีชั่วโมงเก็บเอาทุกวินาทีให้เคลื่นรูปสิบตัวแล้วก็เหลือกินเหลือใช้ผมรู้จักตัวมีเวทีลง เป็นพื้นที่ของกายของจิตเลยที่โผล่ออกมาจาจกกายจากจิตมีสติพร้อมอยู่แล้วเหมือนนักลบที่มีชัยภูมิกุ้ป้อมปาการอยู่แล้วยอมเห็นขาเฉลกด้ง่ายมาดีบาล่าอย่างเลยะร่ว <c oughs> มโยจับ เพราะมีสติรู้จักตัวเหมือนหนกตาภายในของกายของใจตาภายในได้เห็นกระทั่งความคิดได้เห็นกระทั่งรสทั้งกิน่นทั้งเสียงที่มันเกิดขึ้นกับรูป ก, กับน้ํากับผายกับใจนี่ด้ค ว, วามเคยชินความชำนานของสติที่คุ้นเคยกับ ยั้พรมคือกรรมาฐานสติปัฐาน4ี่เป็นใช้พูมเป็นป้อมปาการย่อมรู้รอบรอ บ, รอบย่อมโลก โ, ลกโลกเตือนได้ที่ไหนโลกหลงลังย่อมบุกเบิกก อ, อกอริชาที่อยู่ที่ไหนเหมือนป่าวิชาก็อยู่ที่นั่น <c oughs> ที่ใดมีความหลงที่ความไม่หลงก็อยู่ที่นั่นที่ใดมีความทุกข์ความไม่ทุกข์ก็อยู่ที่นั่นนี่คือสติปัฏฐานใหญ่ยิ่งใหญ่ให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นต่อกายต่อใจของคนเราว่าะฉะนั้ผล <c oughs> วิชานีิพัะสิตตะ ได้ค้นพบวิชาที่เรียนมาแยะภาษิตธรรมสิบเจ็ศาสตร์จบมาไม่ได้ใช่เลยยิงมากยิงธนูขี่มาฟันดาบนอกจานกศาสตร์ตามสาขนที่มีอยู่ทั่วไปรัฐศาสตร์เกิดศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช่เล ย, ย มาบ้าใช่ศาสตร์ที่เป็นสติปัฏฐานเอากายเป็นหลักสูตรมีสติเป็นลักศึกษานี่จะเห็นความเท็ดความจริง่เกิดขึ้นกับกายกับใจหลนแจงก้นบึง้งจนเป็นเห็นเป็นลูกเป็นนามหล่นอาการที่เกิดขึ้นกับลูกกับนามหรือว่ามีมากมายเป็นวัตถุอาการสม บ, บูร์ปัญญิ ความเท็จความจริงปรมรัจิตจักเกิดขึ้นมาให้เห็นเป็นโครงสร้างของโลกรูปโลกนามโลกวักโอกาสโลกสังขารโลกรูปโลกได้อย่างแจ่มแจ้งเคยกายเคยใจคือรูปเคย น, นามดี ค น, นเรียนรู้เรื่องเครื่องโจนกคนใจยุลดพื่องบินจนสร้างขึ้นมาได้อะไรที่มันยิ่งใหญ่ก็สร้างขึ้นมาอนไรก็โลกแบบดึงก็ดีจะได้เห็นสิ่งที่ปิดที่ถูก มองแบบทะลุทะลวงเหมือนคนมีความภาคเปลี่ยนความขยันได้ว่าภาวนามาขยันความภาคเปลียนอกกล้าลงพื้นที่ก้าเข้าไปศึกษาก้าพิสูจน์เกิดแก้วก้าหวามเก้วกล้ า, ลาถลาได้ไกลาย กระโดดถึงสุดยอดบางครั้งบางคราวควมรักความชังความสุขความทุกข์พอใจไม่พอใจกักขังมาอยู่กระโดดต้อยนี่คือความเก็บกล่าแก่นฆ่าตลอดใจความไม่รู้ทําให้เกิดความรู้ความหลงทําให้เกิดความไม่หลง มันมีอยู่จริงๆทิ่มันเกระกายจากใจให้สติเป็นที่ตั้งจนจริงที่บัดโบราณท่นานก็ที่ใดมีปายาประมาต เสืออุบาทมีอยู่คู่สถานคืออพิชานีเป็นป่าของขายของใจของรูปของนามแตามีป่าก็มีสั์รายมีเสือแม่เสืองามมีชมน้ายอดระทูรูเฉิดฉายแต่เขี่ยวเล็บสินั่นอันตราย ผูห้หวังได้สงบเย็นจงเขนผายไม่ใช่เรื่องเด็กน้อยแน่นอนชีวิตเราเ ก, กิดเกลเก็บตายจากท่านี่เป็นไปนตามธรรมชาติก็เป็นความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วเราจะปล่อยให้ความผิดพาด เกิดขึนที่รูปที่นามได้อย่างไรความถูกต้องมีอยู่เราเลยฟังคําสอนพระพิจารวาหัจากเสียงละเอียดล้ำลึกในหัวใจวเราเรารู้เห็นตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกข์มันเกิดเพราะอย่างนี้อย่างนี้เหุ่ได้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ วิธีดำเนินให้ถึงความดับทุกข์มันไปอย่างนี้อย่างนี้เนอะทุกข์เราก็เห็นแล้วกําหนดได้แล้วกําหนดได้แล้วเหตุที่เกิดทุกข์ก็รู้แล้วละแล้วปะได้แล้ววิธีทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทำให้ทําให้แจ้งแล้วรู้แล้วจริงๆอย่างนี้วิธีดําเนินออกก็ได้หลักแล้วทฤษฎีแล้ว ก็ทำได้สำเร็จอย่างนี้ได้ยินได้สัมผัสกับเสียงพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีอยู่ในเรานี่กระชิบเราอยู่เสมอที่ใดมีทุกข์ที่นั่นก็ไม่ทุกข์ก็ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้อยู่ เหมือนพระพิ้าอยู่เฉพาะหน้าเวลาเราปฏิบัติดูก่อนดูก่อนปัญจวัคคีดูก่อ น, อ น, อนพรามไพลอที่สุดจากพระโอษ์ที่เป็นคำสอนดูก่อนดูก่อนปัญจวัคคี วันเจ้าียาภิกษุอมันเตชิแบบปิจแนนขี่ทางเลยเรเห็นแล้วก็ชวนขีทางให้ดูเอวัาเมชุตังเอกากรสวยาปะกาวาเป็นติอิสิปตันละมลิกกทาเยอันเยวันเจ้าียาภิกขุอมันเตนิ ก้าวไปถึงกมรมจุกันในการิยโยโกฮิโนกัมโพปุถุชนิโดอนาลิโยอนันตะสันิโตไม่ใช่ทางพอให้ความลหลงไหลอยู่ในกายใจพอให้เป็นป่าอยู่พอเฉลี่ตัณหาอยู่เจ้าเวลาไม่ใช่ทาง ของพระเจ้าอ น, า, อน า, าหรืออาาคาอยู่ไม่ใช่ทางเลยตันแต่ื่าใดที่มันจางคลายอาสวะจางคลายไปย่อมมองเห็นกระแสเป็นความสงบเป็นความสุขสุขกันเกิดจากอาสวะจางคลาย เมื่อก่อนเมื่อวก่อนเป็นหมดไปจางหายไปย่อมมีสุขมีปิติวิตกปิจารณ์ปิติสุขมีอุเบกขาวางลงไปํามความถูกต้องนําไปอันนี้หมดไปอันนี้ก็หมดไปอันนี้หมดไปอันนี้หมดไปไมาเด้ทําเลย ทำนำพาไปเลยความถูกพานำทางไปตามธรรมไปตามรอยธรรมไปเราก็ได้ยินเยอะแยะรสูตรต่างๆแล้วก็สาทอ ย, ยเป็นคำพูดแลมีกิจใส่ใจตามเอามาทําเป็นวิชากรรมฐาน ก็ย่อมรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจกับลูกกำบนามนี่ตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้เราจะปล่อยชีวิตเราทิ้งไปตรงไห น, นอะไรที่ควรจะทำให้เกิดขึ้นแก่กายใจใจแกรูกปแก่ น, นามก็อย่าประบัดให้ทำเสียให้รีบทำ จะได้สำเร็จกันตั้งแต่นั้นนนเ น, น, นื้อการเกิดแฉ่เจ็บตายมาก็ไม่มีวิชาใดที่ทําให้เรื่องนี้แก้แง่แงขึ้นมาโรกจากชากรรมฐานที่เรื่องต้นต้ น, ต, นตามลอยพระพุทธเจ้า มีอยู่จริงว่าพุทธเจ้าเราัทามีจริงพระธรรมกันทําให้เกิดพุทธเจ้าก็มีจริงผู้ปฏิบัติตามธรร ม, มูชนผู้เชื่อฟังคําสอนของเจ้าปฏิภากันปฏิบัติก็เกิดเป็นพระอริยสงฆ์มีจริงในโลกนี้เรียกว่าพระตะตายัยเมื่อเราอาศัยพระตะตายนี่แล้วย่อมพ้นจากทุกขังพวงได้จริงนี่ ของจริงโชอยู่เสมอเหมือนธงสัพพันลังสีปลิวอยู่ในลานพุทธสถานปลิวอยู่โชวอยู่เสมอธรรมจักรธรรมทศโชอยู่เสมอหมุนไปเรื่อยกลิ้งไปเรื่อยตมรจักหมุนไปเมื่อไหรก็เหยียบย่ำความมู่หลงมงอยความทุกข์ลาบคาบลงเรียบลงแผ่นดินเรียบลง จิตใจไม่มีคลื่นดีกว่าจิตเรียบทางธรรมจักเกือบย่ำไปเอาไวช้ชาร์ตดไปอเอาไวช้ชารเป็นไปตามข้าไปขากับ เหมือนสัปดาห์ที่หนึ่งอยู่ที่โผที่บันหลังทุบทวนพาตัดสรูแล้วทุบทวนปฏิเจาะสมุ ป, ประบาทขาไปขากลมาก็หลีกจากวันนี้ไม่พ้นมันได้หลักสูนมาจากกายจากใจจากรูปจักงนามนี้ นั่นบอกไปพราอวยฌาก็เกิดสังขารสังขารเกิดนามลูกนามลูกเกิดได้เจตนะอายเตนาเกิดผัสสะผัสสะเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปทานอุปทานเกิดพบเกิดชาติเกิดชั่ลามณะเกิดแจ็เจ็บตายไปแล้วไปแล้วไปนู่นแล้วการกลัก็ทวนเหมือนทางเก่า กลับคืนมาสู่ตามเก่าประวิชาดับสังขารดับสังขารดับดารูปหยาบดามูปบอบดับอายตระดาดับพัฒนาดับเปตราดับตัณหาดับอบูปทานดับพบดับชาติดับมรดสุขกัปเทปทุก์ไม่มีแน่นอนที่สุดเหนืนธรรมจักเหยียบย่ําดับไป มันอยู่ในกายในใจในรูปในนามของคนที่ยังไม่ตายนี่ยึดเราก็มีอยู่อย่างนี้แล้วเรนทรองททธาทายเราอยู่โดยเห็นความเท็จความจริงเหยียบย่ำกำแหลกไปเลยเหมือนที่นี่เป็นบวชสอน โคขีู้หยวกโกูหลงูคข้อโคสามชั้น้คีสูงกั่วหมู่เป็นที่ลานคีตีคีลูกคีตกลงไปทางหนองสามหมืนตกไปที่หนองสามหมืนคนหนาลูกคี เยียบย่ำหาลูกทีแหลกกว่าเลยจะเป็นหนองหรือว่าหนองสามหมื่นเพราะคนเหยียบย่ำหาลูกทีจากเป็นป่าเป็นดงป่าดงมันอยู่ในรูปในด้ำเ น, น่ยเหยียบมันลงไปของที่มาจากที่สูงมาอยู่ที่นี่มีอวิชาเป็นป่าเป็นดง ก็าคนขยันมองป่าเหมือนทุกถ้าเกียรติขั้นก็อยากถ้เห็นป่ า, นะาแล้วถือว่าสําเร็จละเหมือนเราทำไบทำนาปลูกข้าวโพด ท, ที่ใดมีป่าหญ้าคา ต้นนั่นข้าวโวดงามดินดีพญาปกป่าโรคเสือมันจึงอยู่ผางออกไม่ใช่แววที่โล่งๆคนบบรานหาที่ทําอยู่ทํากินต้องหาดูดแลช่วงใดที่ตรงไหนยังมีใบ ห, หนักยญ้าเขียวๆ เ, เกิดอยู่ น, นั่นไม่อดไม่อยากต้องทำกินได้แต่ที่ใดมีโ่งเต้นเตือนไม่มียาขึ้นอันนั้นอาจจะไม่พออยู่พอกินป่าในชีวิตของเรานี่อวิชชานี่มันมีมรรคผลในอวิชชาแล้วก็เป็นวิชาขึ้นมาที่นั่น เหมือนป่าติดเหนือหอไทนี่แต่ก่อนเป็นป่าพงป่าย่าคาปลูกต้นยางไปมันก็งามขึ้นมาเพราะย่าคาป่าพงมันเป็นพื้นฐานนำรากมัไปสู่ดินไว้นานหลายปีนำออกซิเจนลงไปมันก็เป็นดินดี จนไม่งามยึดของเราเปนงามอยู่ที่ความไม่งามวิชาวิปลาโลกวิชาคือทาให้โล่งได้ประโยชน์งามตรงนี้ทุกที่ใดไม่มีทุกที่นั่นหลงที่ใดไม่มีทุกหลงที่นั่นมีอยู่ในรูปในนามนี่อย่าจนอย่าจนเป็นผู้ไม่จน จึงมีวิธีนีทนนั้นพอการศึกษากรรมฐานแล้วกาสป็นตาลาดูกายด้วยใจเป็นประจำมีสติไปในกายในใจอยู่เป็นประจำทุกวินาทีเหยียบย่ามาอยู่นี่เย่าหนีอะไรเกิดขึ้นมาหันหน้าใส หน้าในจะหันหลังใส่ปล่อยทิ้งมันจะลงตัวปล่อยความไม่ดีในชอบทำเกิดขึ้นในกายในใจแล้วอ่อยไปได้ทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองไม่มีใครรับผิดชอบให้เรามันก็ลงตัวต่างคนต่างรับผิดชอบตัวนี้แล้วชั่วทำดีจิตบริสุทธิ์ นึกเกิดความโศกร่นเย็นนัตถิสันติหลังสุขังสุขอื่นยี่ขกวความจศไม่มีมันจะหบจากฆ่าศึกในใจก่อนไปเบียดตนเองและไม่มบีบเป็นคนอื่นไปสุกที่สุดในโลกมันเป็นอย่างนี้จริงๆจะประดาที่หกได้อุทานออกมาอย่างนี้ อยู่ที่หลาอชาติจตนาต่างทิศใต้ของขีมหาภพมิรู้ชื่อมันจะเป็นอย่างไรความฉุกเฉินย่งว่าความสงบไม่มีสงบจากฆ่าสิกภายในใจในชีวิตเราการไม่เบียดเบียนตนได้ไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นสุขในโลกจริงๆแล้วก็มี มันก็เป็นความสุขร่วมกันเป็นความสุขที่แบ่งปันเท่กันทุกคนรับไปชอบตัวเองฝึกหัดวิชากรรมฐานดองนะม่ก็ไม่เชมืเสียง ก, ก็จบตอนนี้กับภาพความกัน